รัศมิพระพุทธคุณนางบุรพารัศมิงพระธรรมเมตังบุรพารัชสมิงพระสังฆานัง พระพยังวิวันชัยเยสสะพทุกสัพโโกสัพโรคสัพพภัยสัพเพราะเสนียดจันไรวิวันชัยเยสสะพะทักนังสัพะลาพังพระวันดูเมปพระขันตุสุรัตน เนรัสมาิงพระพุทธคุณนางอาเกเนรัสมาิงพระธรรมเมตตางอาเกเนรัสมาิงพระสังฆานางังทุกขร์รัวพระพยังวิวันชัยเยสพะทุกสะพาศุกสะพโรคสระพภัยสะพระครอ้อสเนียบจันไรวิวันชัยเย สัพพ ะ, ะนังสัพพะลาภังะวันตุเมราคันตุสุรักคันตุทักษิณรัศมิงพระพุทธคุณนังทักษิณรัสมิง พระธรรมเมตังทักศิณรัศวิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสาพาทุสาพาโศกสาพาโรคสาพาภัยสาประครอสังเหียนจันไรวิวันชัยเยสาพักทานังสัพลาพังพระวันตู รัขันตุสุรัตน์ขันตุพระเดียรัตมะิงพระพุทธคุณงังพระเดียรัตมะิงพระธรรมเมตางพระเดียรัตมะิง สังขารทุกข์รัวทัพยังวิวันชัยเยสาพาทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์สนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนังสัพพราพังพระวันตุเมประคันตุสุรัคัน พระสวิงพระพุทธคุณนางปัดจิมพระสวิงพระธรรมเวตตังปัด ราสมิงพระสังฆานางังทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสพะพทุกสพะโสสพรโรคสะพะภัยสพพะคระ้อเสนียดจันไรวิวันชัยเยสพะาาสพะทักนังสะพลาพังพระวันตุเมประกขัน พ, พายาบพระสมิงพระพุทธคุณนางพายับพระสมิงพระธรรมเมตตงพายับพระสมิงพระสังฆานางทุกขรวข้าพยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพโสพโกสะพโรคสัพพภัยสัพะเคราะห์สนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพัทันังสัพพลาพังพระวันตุเมประคขันตูสุรักขัน พระพุทธคุณนางอูดรนรัสิงพระธรรมเมตังอูดรนรัสิงพระสังฆานางทุกขโรัวพไปยังวิวันชัยเยสาปะทุ สัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะเคราะห์สนเอียดดันไรวิวันชัยเยสัพพท่านังสัพพลาพังพระวันดูเมประคันตูสุรักคัน รักสมิงพระธรรมเมตังเอียสารรักมิงพระสังขานังทุกขโรคพพยังวิวันชัยเศรษทุกสศรโสพโสเศรพฐะโรคสัพพภัยสศรษฐะครออสเนียดจันไร วันชายเยศภาทานังศภาลาพังพะวันตุเมประทันตูสุรัขันตูปัทตวีระสมิงพระพุทธคุณนางปัทตวี รักษมิงพระธรรมเมตังปัทวีรักษมิงพระสังฆานังภูขารัวพระพยังวิวันชัยเยสสะพะทุสพะพศโสสพรโรคสพระพภัยสะพะคร้อสเนียดจันไรวิวันชัยเยสสะพะคาังสพะพลาพัง พวันตูเบรางคันตูสุรัา ก, าร ก, รกันตูอากาศรักมิพระพุทธคุณังอากาศรักษิงกระเมตังอากาศรัศมิ สังฆานังทุทโธกัปยังวิวันชัยเยสะพะทุสกสะพะโกสะพะโรคสะพะภัยสะระเคราะห์เสนียบดันไรวิวันชัยเยสะพะท า, าังสะพะลาพังพระวันตุเมประขันตูสุรัตน